เอาต่อในไปตั้งใจสมาทานศีลหลวงพ่อไปนะัสถานที่ต่างๆหลวงพ่อก็พยายามทําความเข้าใจในเรื่องศีลให้แก่คณะญาติโยมทุกหมเหล่าแต่บางท่านบางครั้งที่หลวงพ่อพูดอาจจะไม่ได้มาร่วมงานหลวงพ่อก็เลยพยายามพูดไปบ่อยเหมือนกันพอมีงานใ ห, ใหญ่ๆอย่างเนี้ยก็พยายามทําความเข้าใจกับคณะญาติโยมลูกหลาน นี่ที่อาราธนาศินเมื่อกี้เนี่ยอาราธนาศินมะยังพันเตวิสูงวิสูงรัคณัดถายะติธรเนนสหาปัญจศีลาแต่บางแห่งพวกเราก็จะได้ยินว่ามะยังพันเตติธรเนนสหาปัญจศีลานียาจามะการอาราธนาศินก็เป็นสองมาตรฐานแฮอไม่ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ตามไม่จริงความหมายก็เป็นสองมาตรฐานจริงๆนะคณะสัจธาญาติโยม ถ้าหากว่าหล ว, วงพ่อที่เป็นถ้าไม่เป็นหลวงพ่อไม่อธิบายให้ฟังลูกหลานก็คงจะเอ๊ะทาไมจึงเป็นสองมาตรฐานอย่างนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อจะอธิบายให้คณะสัตยาธิรมได้ฟังคือมายังพันเตปิสรเนศสาหาปัญจศีลานิยาจามะพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานศีลห้าทั้งห้าข้อพร้อมกันทั้งหมดแต่นนี้มายังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะ ข้าพเจ้าขอสมาทานสินเป็นข้อข้อข้อหนึ่งถึงข้อห้านีอ 5. คือสองอย่างคือคนหนึ่งนี่ยใจเด็ดเดี่ยวกว่าให้ข้าว่ารักษาสินพร้อมกันเลยถ้านรวยกันรวยทีเดียวเลยถ้ามาขาดก็ขาดไปเลยแต่ตามไม่จริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการทำคุณงามความดีเนี่ยจะไปทำเยอะๆแยะๆเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะ อถ้าทําอะไรก็มั่นใจแล้วคือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงจังแล้วของแท่งเทียงแท้แน่นอนแล้วเราควรจะทุ่มอย่างเต็มที่คือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไปเลยทั้งห้าข้อถ้าเรารักษาไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ดีขาดไปเลยท่านรวยหลวงพ่อว่าท่านรวยก็รวยไปเลยเพราะงั้นแต่แต่นี้วิสุงวิสุงรักนัดถ่ายเยอะข้าพเจ้าจะรักษาศีลทีละข้อละข้ออ พอรักษาสินเสร็จแล้วเห็นยุงมากระตบยุงสินขาดไปข้อหนึ่งข้อที่สองไปไปเห็นรองเท้าเขาสวยสวมรองเท้าคนนี้อีกขาดศินไปข้อที่สองศินข้อที่สามลาลาบลาล่วงสามีลูกหลานภรรยาคนอื่นเขาขาดสินไปข้อที่สามข้อที่สี่โกหกไปเห็นเขาโกหกเขาอีกศินขาดสินข้อที่สี่ พอไปเห็นเขากินเหล้าอดไม่ได้ไปกินกับเขาใช่ไหมสิทธิ์ขาดสิน้อที่หักนะีก็เลยขาดเป็นข้อข้อนะวิสูงวิสูงนี่นะข้าพเจ้าจะขอรักษาศินเป็นข้อข้อนะสแสดงว่าได้ทีดะจิบทิดะจ้อยอย่างนั้นแต่ทิดตะบาท่าศีรตางอย่างนั้นแหละหนะลวงพ่อว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เอาเอาปัญจศีลาเนี่ยเลยนะพนั้นถึงจะว่าปัญจศีลาหรือว่าวิสูงวิสูงก็ตามนะขอให้คณะสัตยาธิยมทุกหมู่เหล่า เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติอย่างมากจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำนะโมตัสสนะนโมตัสสะนี่พวกเราก็คงจะไม่เข้าใจอีกเหมือนกันเพราะเป็นพระบาดีนะนะโมตัสสะพระเขาวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลหรือความหมายก็ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งยืนยันถึงสามครั้งจากนั้นก็พูด ท, ทางธรรมังสังขังสรารนางาังขฉามิดุติยมปิตะติยมปิผู้พูด ท, ทางธรรมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งว่าข้าพเจ้านับถือเลื่อมใสในธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็คือเราก่าวยืนยันก่อนที่เราจะรับสินจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินหลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวนำเป็นองค์ศินปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปาัตังสมาธิยามิข้าพเจ้าทั้งหลายจะงดเว้นในการฆ่าเมื่อรับสินแล้วข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าคำว่าฆ่าคานี้เราได้ยินคำว่าฆ่าคนอื่นเราก็เป็นถือว่าเป็นของสนุกนะ แต่คิดว่าเขาจะมาฆ่าเราท่านน่ะไม่สนุกเหมือนกันนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นทุกคนท่านเป็นธรรมท่านเป็นประชาธิปไตยทำมาธิปไตยเอ att, พระ อ, องค์เป็นธรรมพระ อ, องค์ประกาศให้ทั่วถึงกันว่าอย่าฆ่ากันนะถ้าพวกเราคิดฆ่ากันคนนี้คิดฆ่าคนนั้นคนนั้นคิดฆ่าคนนี้โลกทั้งโลกจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เราคิดฆ่าพ่อแม่ของเขาเขาก็คิดฆ่าพ่อแม่ของเราเราคิดฆ่าวงศาราณาญาติของคนอื่นเขาเขาก็คิด ค่าบงสาคณนาาตของเราสรุปแล้วคือคือสินหนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปคิดฆ่าคนอื่นเขาถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้โลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขไปณนะสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะมีสินอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานอาธินาทานาเว ร, รมนียกะกโมยคนอื่นเขา ถ้าเราไม่อยากจะให้เขามาขโมยเราเราก็อย่าไปขโมยของเขาถ้าว่าเราไปขโมยขี้ยางของเขาอย่างนี้ถ้าคิดดูซิว่าเขามาขโมยขี้ยางเราเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจไหมเสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อเสียใจอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้าไปขโมยของเขาแล้วเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราเวรามาณี สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขากรักสังวนห่วงแหนของเขาเป็นลูกสาวของเราเรากรักเป็นลูกชายของเราเรารักเป็นสามีของเราเรารักเป็นภรรยาของเราเรารักถ้าเราไปล่วงล้ำคนอื่นเขาละ่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเขาก็เราเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีอันนี้คือสินข้อที่สาข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รามณีอย่าไปโกหก อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุนโกหกหลอกลวงเราเราก็เสียใจเพราะฉังนั้นเราอย่าไปต้มตุนโกหกหลอกลวงเขาพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกเอาไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราสังเกตดูคํานี้จริงไหมโดยมากคนที่ชอบโกหกจะต่อแหล่ไปเรื่อยๆทําความชั่วไปเรื่อยๆ พอทำความชั่วแล้วก็โกหกไปเรื่อยๆหาความสัตย์จริงไม่ได้ในชุมชนสังคมเตือดร้อนฝุ่นวายอันนี้แหละคนชอบโกหกไม่เป็นผลดีข้อที่หสุราเมรยะมัชชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มกินเหล้าเข้าไปแล้วขาดสติแล้วพวกเราเห็นรู้สิไม่น่าไว้ใจถึงจะอยู่ในระดับไหนก็เถอะระดับพออ ร, ระดับนายอาเภอ ร, ระดับใครก็ตามถ้ากินเหล้าเข้าไปแล้วเมาเข้าไปแล้ว ขาดความเคารพขาดความนับถือขาดความเชื่อถือในบุคคลคนนั้นแปลว่าลดคุณภาพของคนคนนั้นลงแต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันลดคุณภาพแต่คนทั้งอื่นคนอื่นมองมองแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตัวเองมีคุณค่ามีคุณภาพไม่ควรจะดื่มโชราพอดื่มเข้าไปแล้วมันเมาพอเมาแล้วขาดจติตพอขาดจติตและทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่าง ฆ่าใครก็ได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าสามีภรรยาฆ่าบ่งสาขนายาติฆ่ามิตรสหายต่อยตบตีได้ทั้งนั้นเพราะคนขาดสติอธินนาทานขโมยของใครก็ได้ไม่ได้เพบมันขาดสติพอออกไปสวมรองเท้าสวมเข้าไปเลยเไม่คิดว่าขโ ม, มยหรอกเออพราะมันขาดสติสามีภรรยาลูกหลานของใครละลาบระลวงของใครก็ได้เพราะมันขาดสติ แหมก็หกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติเพราะนั้นศินข้อที่ห้านเป็นศินอันตรายข้อหนึ่งเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนลูกหลานทั้งหลายทุ ก, ท, กท่านนะที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องศินให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือศินทุกอย่างศินทั้งห้าข้อนั่นคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน แต่สินข้อที่ห้าเนี่ยทำไม่หลงพ่อจึงว่าเอใจเขาใจเรายัางไงเพราะเรากินคนเดียวนะีะแต่เมื่อเรากินคนเดียวก็จริงอยู่แต่พอกินเสร็จแล้วนะ่ะเราขับรถออกไปเอไปเฉียวไปชนคนอื่นเขานะเนีอยถ้าคนอื่นครับกินเหล้ามาแล้วมาเฉียวมาชนเราแหละเป็นยังไงเพราะนั้นถ้ากินเหล้าเข้าไปแล้วก็นอนคดคูดอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายอะไรเสียหายแต่สุขภาพตนเองเท่านนะั้นอาจจะเป็น โลกติดสุราอาจจะเป็นมะเร็งในตับอะไรมีมากมายประพิษของการดื่มสุราเพราะฉะนั้นขอให้คณะทาญาทโยมลูกหลานทุกๆท่านนะสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรานํามาวิเคราะห์นํามาพิจ า, ารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคุณค่าเพราะฉะนั้นบรรพบรุษของพวกเราปู่ย่าตายายของพวกเราจะมีสาธะนัพิธีขึ้นมาท่านจึงมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศิน อย่างน้อยก็ให้มีสินสักหน่อ ย, เ ห, ยเหมือนกับอะไรจักรจันเรลอะไรเขาพยาแทนเขาเอาติดทองเขาไว้ในหัวมันหน่อยอย่างลักษณะอย่างนั้นแ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราถ้ามีสินแล้วก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์ในพวกเราในช่วงระยะที่รับสินก็ยังดีช่วงช้างกระทบหูช่วงงูแลบลิ้นก็ยังดี ค, คือความดีติดอยู่ในจิตในใจศินติดอยู่ในตัวของพวกเราเต่อ น, นี้ไป เมื่อพวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะจัาทายาตโยมทุกกลุ่มทุกหมลาได้มาร่วมกัน มอบอาคารเรียนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกล้องแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเป็นอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นมาได้ก็คือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฮิรันอาจารย์นงเยาพระดีศรีพร้อมครอบครัว และก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวดัดบุรรัมย์ธานีด้วยที่มาร่วมในวันนี้ท่านศาสตราจารย์ฮิรันและอาจารย์ตงเยาท่านเป็นชาวกรุงเทพและก็ท่านดอกเตร์ฮิรันท่านเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แล้วก็เมื่อท่านกเกษียณอายุราชการท่านก็ได้ทํางานหลายหายแห่งเป็นที่ปรึกษาตามที่ท่านได้มาประเช็นสัญญาอาคารเรียนหลังนี้วันแรกที่ท่านได้มาเชินสัญญากับผู้รับเหมาท่านได้กล่าวในที่ประชุมที่ศาลาหลังนี้ในที่ประชุมที่จะสร้างอาคารหลังนี้ท่านบอกว่าท่านได้ทํางาน เป็นผู้ว่าถึงผู้ว่ า, วาการรถไฟแห่งประเทศไทยจากนั้นท่านก็ได้กเกษียณอายุเมื่อกเกษียณอายุแล้วท่านก็ได้ทํางานเป็นที่ปรึกษาในสถานที่ต่างๆท่านก็ได้รับจตุ ป, ปัจจัยหรือว่าได้รับเงินค่าตอบแทนท่านบอกว่าปีนี้เป็นปีที่80ของท่านท่าน ตั้งใจว่าน่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสักอย่างหนึ่งอันนี้คคื อ, ค, อความดำริของท่านจากด้านท่านก็ได้มาปรปารภกับหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ยินอนุโมทนาสาธุด้วยแต่ท่านจะทำอะไรแตท่านก็บอกอยากจะสร้างอาคารเรียนเหมือนกับท่านองค์ขบวตรีดรุกเตอร์ชาวท่านสร้างมาหลายหลัง อย่างโรงเรียนนางวัวโรงเรียนน้ําโสมและก็โรงเรียนท่าบอ่อเอราวัน เ, เชียงคานหลายๆแห่งในภาคอีสานท่านก็บอกอยากจะทําสักหลังหนึ่งหลวงพ่ออาตมาภาพเองก็ได้เรียนถามท่านว่าที่อาตมาเป็นสะพานที่สร้างอาคารเรียนมานั้นทำใหลายขนาดขนาด สชั้นก็มีสองชั้นก็มีชั้นเดียวก็มีแต่แต่ท่านจะเอากี่ชั้นท่านบอกว่าเอาสามชั้นก็ได้ท่านอาจารย์เอ่ออาธมาโค3ชั้นเออก็ดีจากนั้นอาตมาภาพก็ให้คณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่โรงต้อเคยรู้จักมักคุ้นมาก่อนไปสืบสอบดูสถานที่ที่ไหนที่จะลงอาคาร3ชั้นได้ ได้ก็ไปสืบสอบดูหลายๆแห่งแต่ตามมัจริงหาที่ลงได้ยากเหมือนกันเพราะว่านักเรียนที่จะมาเรียนตึกสามชั้นเนี่ยต้องใช้คนประมาณเป็นถ้าหาว่านักเรียนมีอยู่แล้วเนี่ยถ้าขาดจริงจึงจะเหมาะสมในการให้อาคารสามชั้นแต่นักเรียนก็ต้องเป็นพันถ้านักเรียนน้อยถ้าสร้างขึ้นมาอย่างอาคารเรียนบ้านพ้องอย่างนี้แหละขึ้นสามชั้นที่นี่ อาคารเรียนเก่าๆล่ะหลังเก่าเ่ยต้องทิ้งทั้งหมดจะมาเรียนอยู่ถังหลังใหม่ทั้งหมดก็เสียประโยชน์เรียกว่าเสียดายอาคารหลังเก่าที่จะใช้ประโยชน์ได้อยู่อาจจะมาก็หาที่โรงหลายแห่งจากนั้นก็ได้ไปสืบสอบที่นิคมคำสร้อยอําเภอนิคมคําส้อยจังหวัดมุกดาหารหลังนั้นก็ขาดเออ ขาดจะไม่ถึงกับขาด3มชั้นกระวดที่เหมาะที่สุดก็คือสองชั้นอย่างหลังนี้แหละจากนั้นก็อลงพ่อก็เดสอบอสอบแถวใกล้ของเราก็คือโรงเรียนบ้านก้องแห่งนี้มาดูแล้วก็น่าจะเพิ่มเติมให้โรงเรียนบ้านก้องอาจจะมาภาพ็เลยได้ไปเรียนท่านว่าอาคาร3มชั้นหาที่ลงลำบากหน่อยแต่ก็ถ้าทั้งว่ารอไปสักหน่อยก็คงจะหาที่ลงได้ แต่ถ้าว่าสองชั้นนี่มีที่ลงแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อโรงเรียนา น, า น, านั้นๆท่านก็ว่าสุดแท้แต่ท่านอาจารย์ถ้าหากว่าเห็นที่ไหนเหมาะสมมีประโยชน์ต่อชุมชนประเทศชาติผมยินดีได้ทั้งนั้นท่านอาจารย์กันเลยเป็นอันว่าอาคารเรียนที่นิคมคำส้อยและ โรงเรียนบ้านกล้องแห่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาได้จากนั้นก็ได้หาผู้รับเหมาที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคือร้านเสียที่เคยมาบวชกับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็คือเป็นบริษัทรับเหมาอยู่แล้วจากนั้นข้างก็เสียก็รับไปดูไปพิจารณาจากนั้นก็ได้สร้างอาคารนิคมคําสร้อยขึ้นมาและก็ต่อมาอีกทีนี่ โรงพยาบาลอำเภอนานดูนจังหวัดมหาสารคามเขาก็มาหาหลวงพ่ออีกว่าหลวงพ่อโรงพยาบาลอำเภอนานดูนถึงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานแต่โรงพยาบาลน า, นานดูนเป็นอาคารชั้นเดียวหลังเดียวคนไข้ที่เป็นวัณโรคหรือโรคติดเชื้อก็มาอยู่หลังเดียวกันเพราะอาคารไม่มีมีหลังเดียวเท่านั้น ถ้าหลวงพ่อจะเมตตาพวกผมก็อยากจะได้อาคารอีกแยกอีกหลั้งหนึ่งเพื่อพวกโรคติดเชื้อทั้งหลายจะได้แยกไปอยู่ในหลังนั้นหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วเอออันนี้ก็จําเป็นเพราะว่าคนป่วยนี่ก็สุขภาพก็อ่อนแออยู่แล้วก็ยิ่งมีโรควันโรกไอสองสามแฟกเท่านั้นเดี๋ยวก็ไปติดกันมั่วไปหมดในโรงพยาบาลนี่หลวงพ่อก็เลยมาปรึกษากับท่าน นี่แหละศาสตราจารย์ดร์ฮิรันของเรานี่ท่านบอกว่าราคาเท่าไหร่ท่านอาจารย์หลวงพ่อก็สืบสอบอยู่แล้วว่าราคาประมาณสองล้านหน่อยๆสองล้านเศษกว่าๆท่านก็เอาได้ใช่ไหมงั้นอะ่ะจากนั้นการธรมาก็ได้บอกไปทางนน้นก็เลยลงกันจัดการสร้างทางอาคารชั้นเดียวนะก็เป็นอันว่าเสร็จสองหลังคือนิคมคําสร้อย โรงเรียนสองชั้น8ดห้องเรียนช่าค่าใช้จ่ายในหลังนั้นก็สามล้านห้าก็ได้มอบไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ได้ไปมอบอาคารโรงพยาบาลนาดูลหนึ่งหลังก็สองล้านเสร็จเสร็จก็มอบไปแล้วนี่ก็มาหลังนี้ก็เริ่มต่อมาทําหลังนี้ต่อนี่ก็เสร็จจิ้นลงแล้วนี่แหละก็คือ เป็นน้ำใจของท่านด็อตอร์และกอาจารย์นองเหยาอคอกครัวของท่านท่านไม่ใช่ว่าฟังฟั ง, ฟงดูแล้วไม่ใช่ว่าท่านเป็นเงินถงเงินถังนะท่านเจียดออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อลูกต่อหลานที่ท่านเสียสละคุณทรัพย์ออกมาสร้างอาคารเรียนหลังนี้อาคารเรียนหลังนี้สทาญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่า ่ราคาเท่าไหร่แต่ในหนังสือที่หลวงพ่อถืออยู่นี้เขาก็บอกไว้อยู่แล้วแหะแต่หลวงพ่อประกาศให้ทราบทวนหน้ากันก่อนว่าอาคารหลังนี้ราคาตกลงกันเมื่อเซ็นสัญญาสามล้านห้าแนพอต่อมาพออที่เป็ น, นเจ้าของโรงเรียนท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างอาคารแล้วโต๊ะเก้าอีกก็จำกัดในอาคารเรียนไม่เพียงพอครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยขอไปทาง ติดต่ อ, เ, อเรียนไปทางท่านาด็อกเตอร์อีกท่านเขาเอาเอาเลยเก็เลยจะมาเพิ่มเติมอีกอค่าโต๊ะเก้าอี้ก็ 1,2 ึ0 0 0สอหมื่นบาทาก็เป็นอันว่าอาคารหลังนี้รวมกันทั้งหมดทั้งโต๊ะเก้าอี้ด้วยก็3ล้านหก0 0 0สบาทนี่แหละอันคือคือน้ำใจของ ท่านด็อร์พร้อมกับครอบครัวของท่านหลวงพ่อเองในฐานะสะ พ, พานบุญเป็นสะ พ, พานบุญเป็นผู้ประสานให้ท่านได้สร้างบารมีได้สั่ง ส, งสมบุญกุศลให้กับสับสําหรับท่านแล้วก บ, บุกุศลที่ท่านปล่อยออกมาปล่อยปลายออกมาพี่น้องประชาชนลูกหลานของเราก็ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละของท่านหลายแห่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาถ้าหากว่าท่านไม่มีน้ำใจจริงๆถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อมั่นในบุตบาปบุญคุณโทษจริงๆท่านก็คงจะไม่เสียสละทั้งที่ท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านยังมองเห็นชนนบทที่ยากลาบากอาคารเรียนไม่เพียงพอท่านยังได้อุตสาหะวิริยะมีน้าใจ เสียสละทุนทรัรย์มาให้แก่พี่น้องประชาชนอ ย, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่มองการไกลมองมองไกลมองถกเถงพี่น้องประชาชนและมองของตัวของท่านเองด้วยทําไมถึงว่ามองตัวของท่านเองท่านบอกว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุข อากพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยหัวเป็นองค์ประมุขของประเทศและขอบิน้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าปกครองกันมาแล้วก็เราก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางครอบครัวไม่เดือดร้อนในเมื่อเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเราควรจะแบ่งความสุขของเราที่เราได้รับในการสบแสวงหาทรัพย์ของเรา เราควรจะเจือจานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแบ่งส่วนให้ประเทศชาติบ้านเมืองถึงเราจะแบ่งออกไปเราก็ไม่เกือดร้อนเพราะว่าส่วนที่เก็บก็บพอมีอันนี้อาตมาภาพเห็นด้วยเพราะว่าท่านรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักเก็บและก็รู้จักใช้อันนี้ว่าเข้าทำนองรล้วก็เข้าที่ในหลวงท่านตราสเอาไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้รู้จักหาท่านก็หามาได้หาด้วยสติหาด้วยปัญญาของท่านจากนั้นกับท่านก็รู้จักเก็บเมื่อเก็บขึ้นมาเออสําหรับครอบครัวของท่านที่ว่าน่าจะเพียงพอจากนั้นท่านก็นําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าน่าจะถือท่านท่านด็อกเตอร์ของเราเนี่ย เป็นบุคคลตัวอย่างถ้าว่าท่านผู้ใดก็าตามทํามาหาเลี้ยงชีพพอเป็นไปได้แล้วก็ น, น่าจะเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อชุมชนแต่หาว่าพวกเราทําอย่างนี้ได้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือชุมชนของพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันหลวงพ่อเป็นสะพานบุญหลายๆอย่าง แต่ถ้าหาอาตมาภาพที่หลวงพ่อไม่พูดให้คณะสัตย์ญาติโยมทั้งหลายฟังหลวงญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเออหลวงพ่อได้ช่วยอะไรบ้างฮะหลวงพ่อได้ช่วยโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างที่บ้านบางทีก็จะตุปัจจัยของวัดก็ไลยเอามาสร้างอาคารเรียนก็หลายหลังทางมุกดาหารจากนั้นก็โรงพยาบาลห้องแ lab ห้องตรวจโรค แลว้วกับเครื่องไม้เครื่องมือแต่ขณะนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองก็ได้ทางโรงพยาบาลสูอุดรก็เข้ามาหาหลวงพ่อบอกว่าอยากจะได้อยากจะได้เครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดหัวใจเพราะว่าโรงพยาบาลสูอุดรของเราขณะนี้ไม่มีหมอและไม่มีเครื่องมือที่ผ่าตัดหัวใจถ้งว่าพวกเรา คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานผู้ใดก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอก็จะถามว่าเป็นอะไรแน่นหน้าอกแน่ น, นอกเขากะว่าเนื้อหัวใจแน่จากนั้นเขาก็ให้ยาใต้ลิ้นอแล้วจากนั้นก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อเขาก็ตรวจ ด, ด้วยเครื่องตรวจหัวใจตรวจคลื่นหัวใจจากนั้นเขาก็กให้ไปเลี้ยงคิวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นไปโรอพยาบาลศูนย์เิรษกิจ เอไปเรียงคิวกันอยู่นู่นเอตายหมามากต่อมากเพราะวันเรียงคิวยาวเหลือเกินเพราะหลายจังหวัดที่เรียงคิวกันเข้าโรงพยาบาลศูนย์ศิลกิจแต่บัดนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่ามีหมอมาจาับอาจารย์หมอมาจากจุฬาหมอคนนี้คือเป็นหมอที่สนนกลนครไปเป็นหมอที่จังหวัดนครพนมไปเป็นอาจารย์หมออยู่ที่จุฬา แล้วอยากจะขึ้นมาอยู่ใกล้บ้านแล้วแต่ไม่มีเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อพอจะช่วยได้ไหมเครื่องมือตัวนี้หลวงพ่อเอาพูดให้ฟังที่ราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าตัวที่จําเป็นจริงๆก็มีอยู่สองตัวตัวจําเป็นจริงคือตัวเดียวแต่ตัวหนึ่งนั้นอาจจะขอยืมจากที่อื่นมากกว่าคงได้ตัวที่สําคัญก็คือ ตัวผ่าตัดหัวใจเครื่องมือผ่าตัดหัวใจล้านห้าแสนเรื่องเครื่องทางหัวใจห้าแสน อ, อันนี้คือจำเป็นคือผ่าตัดหัวใจตัวข้อกก็ได้ไประชุมกับคณะกรรมการทีเดียเข้าไปไประชุมพอได้รับข่าวแล้วเออเอาเข้าไปไประชุมหาเรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร้านทองบ้างร้านขายรถมือหนึ่งมือสองบ้าง ร้านอุปกรณ์การพอสร้างบังหลายหลายท่านวันนั้นเข้าไปไประชุมประมาณยี่สิบเกือบเกือบสามสิบสามสิบคนจากนั้นก็ได้ลงขันกันถือเครื่องมือแพทย์ตัวนี้เอจากนั้นก็ได้รวมกันนี่แหละพ อ, อบริษัทที่จะขายเครื่องมือเขาก็เข้ามาด้วยทีนี่เพราะเขาอยากจะขายเครื่องมือหลวงพ่อก็ได้ต่อรองเขา ต่อรองเขาลดราคาให้เป็นหนึ่งล้านี่แสบาทส่วนเครื่องถังหัวใจทางให้ครับเวลาผ่าอกเสร็จแล้วเนี่ยอทบ้านเราปขาเรียกว่างะพันไปงาหัวใจพันลงไปงะชี่โค้งนะแต่ว่าภาษากลางเขาว่าเครื่องถังหัวใจหัวถางหน้า อ, อกเพื่อจะทํางานผ่าตัดได้ง่ายตัวนั้นหลงพ่อต่อลงได้ห้าหม่นก็เป็นอันว่าสองตัว แต่นี้มาพิจารณาดูอีกตัวหนึ่งเขาเสนอขึ้นมาอีกว่าเครื่องช่วยหายใจและหลวงพอ่อคือช่วงเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเวลาคนออกออกจากห้อง ICU ียูหรือห้องผ่าตัดยังไม่ฟื้นเนี่ยเครื่องช่วยหายใจก็จําเป็นสําคัญเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกโปง่งมีแต่ลูกป่งเขาบีบบีบลูกโป่งเพื่อช่วยหายใจไปถึงที่แล้วก็ยังค่อยกลับมากลับไปอีก ก, อกับบีบลูกโป่งไปอีกออลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ถ้ามีเครื่องตัวนี้มาช่วยเนะี่ย ก็จะเอาเครื่องตัวนี้ช่วยหายใจไปเลยไปถึงที่แล้วก็กลับมาหลวงพ่อก็ถามว่ากี่ตัวพอละ่ะถ้าเป็นตัวเดียวก็กลับไปแล้วก็กลับมาถ้าเป็นสองตัวแล้วก็คงจะช่วยกันก็จะดีนะเพราะประชาชนที่ผ่าตัดพวกวันนี้มากเหเกินทั้งหมอก็ว่าโอ้ถ้าได้สองตัวก็จะดีหลวงพ่อก็เอา้าเท่าไหร่ราคาเพอาวกข้อเชียว พ, พร้อมที่จะมาเสนอขายราคาอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว เขาก็ว่าตัวละ 6, 000, หกแสนเขาว่านะตัวละหกแสนหลวงพ่อโอ้ยมันแพงเกินไปตัวละหกแสนนะ่ะถ้าเขาว่าเป็นไปนได้ตัวละสามแสนถ้าตัวละสามแสนหลวงพ่อจะเอาสองตัวอา่าเขาก็ไปติดต่อบริษัทเดี่ยวนั้นเลยบริษัทโอเคเหมือนกันนะอโอเคแปลว่าสองตัวหกแสนเทีนี่ทั้งที่มันสองล้านสองใช่ไหมได้หนะกแสนหลวงพ่อโอ้เอาเอาเลยสองตัว แต่นี้พอต่อมาเขาก็เอาเซ็นสัญญาอะไรสักนี่งเอาหนังสือมาให้หลวงพ่อเซ็นสัญญาหลวงพ่อก็ถามว่าใครจะเป็นผู้เซ็นล่ะคณะแพทย์เซ็นได้ไหมหลวงพ่อเอาหลวงพ่อแล้วเป็นพ่อหลวงพ่อเป็นผู้ตกลงหลวงพ่อเป็นผู้เซ็นแล้วว่างั้นเออโอ้หลวงพ่อเอ้าเซ็นก็เซ็นวะว่างั้นหลวงพ่อก็าได้เซ็นสัญญากับเครื่องมือแพทย์พอต่อมาอีกอนนี้ เขาเสนอขึ้นมาอีกบอกว่าหลวงพ่อปอดหัวใจเทียมนึกกระจำเป็นเออโอมันเป็นยังไงปอดหัวใจเทียมเขาบอกว่าปอดหัวใจเทียมเนี่ยเวลาผ่าตัดเข้าไปแล้วหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดทำงานเมื่อหัวใจหยุดทำงานแล้วจะต้องใส่เครื่องเพื่้เข้าไปช่วยกระตุน้นช่วยออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองแล้วก็ให้ให้เลือดหมุนเวียนในร่างกายแต่ถ้าหากว่า ไม่มีเครื่องตัวนี้ออหัวใจหยุดเต้นเ พ, พ, พียงเจ็ดนาทีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเออไม่รู้สึกตัวทันทีถึงจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีสติเพราะว่าสมองตายแล้วหลวงพ่อเออถ้าถูกใครก็คงจะไม่ไม่เสียบิลัยสําหรับคนที่ถูกอย่างนั้นเอา้าตกลงว่าหลวงพ่อกันเลยเอาอีกตัวหนึง่งตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามล้านสามแสน ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้สามล้านสามแสนโอ้หนักเลยตัวหลวงพ่อกกลับมาแต่นี่ก็มากัหาศรัทธาญาติโยบอีกเหมือนกันท่าน เ, เพราะตัวนั้นมันหมดแรงแล้วตัวสามล้านสามแสนมาหาที่วัดเหมืนอนกันแตอจากนั้นมากับหลวงพ่อเออเอ า, เอ า, เอาก็มาเซ็นสัญญากันเครื่องมือสี่ตัวเนี่ยเป็นเงินห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น เออห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่เครื่องมือสี่ตัวเนี่ะเออคนนั้นวันทอดกรินหลวงพ่อก็ได้อฟุกพอสมควรมาง้นเถะเออพ่องานกระสินมาโอ้ยหายห่วงที่นี่หลวงพ่อว่างงานเถอะเออเออหลวงพ่อก็หายห่วงที่จะเอาจะตุกปัจจัยซื้อเครื่องมือแพทย์มางานเถอะแต่พูดทางนี้ทางนั้นนะถ้าว่ามีใครจะสมทบหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธอย่เหมือนกันนะนะ เพราะว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดว่างันเถอะเอ่อถ้ามีบทตัวนี้และโตอื่นก็คงจะเข้ามาอีกเพราะนั้นผู้ใดอยากจะมาร่วมสมทบนะหลวงพ่อไม่ปฏิเสธเครื่องมือแพทย์เ่อพยายามรวบรวมจะช่วยเออเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลแศูนย์อุดรเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเซ็นทัญญาแล้วนะแต่เครื่องมือยังไม่มาเขาบอกว่าประมาณชักเดือนสองเดือนเออแต่ว่าพอมาแล้ว มาเครื่องมือประจำการแล้วจะใช้เครื่องมืออยู่ประมาณสองเดือนสั่งเครื่องมื อ, อสองเดือนแต่เครื่องมือมาแล้วใช้งานอีกสองเดือนจากนั้นจึงจะเรียกเก็บเงินเพราะนั้นเขาคงจะเป็นเดือนม ก, กราหลวงพ่อนะกะเข้าๆนะคงจะจ่ายเงินให้แกรบริษัทเขานี่แหละที่หลวงพ่อช่วยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเครื่องผาตัดด้วยความถี่สูง กล้องโอลิมปัสสองกล้องหามาเลงในระยะต้นที่โลงพ่อได้สั่งซื้อสองล้านสองล้าน 9, 000, เกแสสองล้าน 9, 500, เก้าห้าหมืคือเครื่องโอลิมปัส ต, ตัวนีนะ้ที่อุดอรนะโรงพยาบาลสูงอุดอรไม่มีเลยเครื่องมือตัวนี้ เ, เขามาขอลงพอมมีความจำเป็นอย่างไรเขาบอกว่ามาเลงในระยะแรกต้องสองกล้อง ไม่เครื่องมือไม่มีครับหลวงพอ่อท้าว่าถ้าได้เครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเราจะรู้ได้ว่ามะเร็งอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อเราส่องกล้องเข้าไปแล้วเราจะได้ผ่าตัดถูกจุดซ้ายขวาหน้าท้องตรงไหนเราจะเห็นได้อันนี้ท้าว่าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เราผ่าสเปกสปะไปเรื่อยผ่าออกมาแล้วก็ไล่ําใต้เอามาัดเข้นหาจนกว่าจะจบเจอ คนป่วยเนี่ยก็รู้สึกว่าป่วยหนักเป็นคนป่วยหนักไปเลยหลวงพ่อถ้ามีเครื่องมือตัวนี้เราจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อคือเอาก็ได้ไประชุมกันอี ก, กหาเครื่องมือตัวนี้ให้แต่พอถามบริษัทนะบริษัทแพงมากนะสมล้านหกแสนหลวงพ่อบอกว่าอือันนี้เป็นเงินบริจาคนะยกเว้นภาษีเงินบริจาคยกเว้นภาษีไม่มีค่าคอมมิชชั่น จ่ายสดราคาเท่าไรสามล้าน เ, <_ d ata> เขาว่าสามล้านเห็นไหมลดลงให้หกแสนเลยเป็นเนงเินเถอะหลวงพ่อเออถ้าว่าหลวงพ่อมีเงินนะหลวงพ่อจะจะต่อรองอีกสักครั้งหนึ่งสะกก่อนจึงจะตกลงจากนั้นท่านก็ทางทางเชลก็บอกครับพอต่อมาหลวงพ่อกับไปชมกับคณะทายาทโจมเบอกอุดอรก็ได้เงินมาวันนั้ น, นย เออลวงกันแล้วล้วงกันเอกกระเป๋าว่ากันจ้ะได้เงินมาสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเออเออแตนี้คือหลวงพ่อต่อมาหลวงพ่อเอ้าถ้าเอาสองเครื่องเนี่ยถ้าเอาสเครื่องเนี่ยจะลดให้เท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเอาสองเครื่องผมจะให้ลดให้เครื่องละ1น 0,000 นก็เป็นอันว่าสองแสนสองล้านสองล้านเก้าแสว่ากันจ้ะสองล้านเ้าส ตอนนี้พอหลวงพ่อหาเงินได้วันนั้นน่ะได้สองล้านแปห้าหมื่นเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยพูดกับเชี่ยวอีกว่าโอ้เชี่ยวเรากำนั่งอยู่นี่หลวงพ่อเนี่หาเงินยากเหลือเกินกับคณะสัตายาญาติโยมนี่ยังเหลืออีกห้าหมื่นพวกเราจะลดได้ไหมได้ครับอกันนะก็เป็นอันว่าเขาลดได้อีกห้าหมื่นเหมือนกันก็เลยสั่งซื้อเครื่องมือตัวนี้สองล้านแปด้าหมื่น แดียวนี้มาไปจําที่อุดรแล้วพันนักนักสัตาญ า, าติโมยมใครปวดท้องอะไรอะไรเนี่ยสงสัยมเนะเร็งเน่ยเข้าไปตรวจไ ด, ด้ได้เลยวันนะี้เครื่องมือมีอยู่ตู้เดียวเท่านี้แหละเมื่อไปนานมาทีห่หลวงพ่อก็ทราบว่าหลวงพ่อสดวัดบ้านเพิ่มนะเข้าไปให้เขาแย่งเครื่องมือตัวนี้เข้าตรวจอีกเหมือนกันนะ่ยหลวงพ่อได้เย็นวอยหลวงพ่อสดเป็เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่หลวงพ่อได้สั่งซื้อมาไว้โรงพยาบาลนั่แหละวะ่ะเออ แต่หลวงพ่อไม่จะสั่งซื้อมาให้ตรวจคนอื่นนะวะแต่หลวงพ่อเองเนี่ยตั้งความปรารถนาในใจวะด้วยการสร้างสั่งสมบารมีด้วยการซื้อเครื่องมือแพทย์ได้การช่วยโรงพยาบาลตึกสงอาพาธในเรื่องต่างๆก็ดีด้วยอานิสงส์บุญกุศลที่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยขอจะใ ห, ให้ผู้ค่าได้เข้าโรงพยาบาลเด้เ อ, อ เออหลวงพ่อตั้งความปรารถนาอย่างนั้นนะเออไม่ใช่ว่าโอ้หลวงพ่ออินซื้อเครื่องมือให้โรงพยาบาลหลวงพ่ออินคงจะอยากเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าใครคิดอย่างนั้นคิดใหม่ว่างั้นเถะเออหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยนะไดช่วยโรงพยาบาลได้หลายอย่างทั้งเตียงด้วยเอ่อเตียงห้องไอซียูเน่ยเอ่อเตียงไฟฟ้าเอ่อเตียงคอมพิวเตอร์เตียงไฟฟ้าเตียงเอ่อระบบไฟฟ้า เตียงโฟลเวอร์โฟลเวอร์ก็มีเตียงไฟฟ้าก็มีไปช่วยโรงพยาบาลนี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้ น, ท, น, นที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังคณะสาธาญาติโยมได้ฟังเนี่ยนะหลวงพ่อไม่ใช่ขี้อวดนะบอกให้ฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นพระป่าพระธุดงค์พระรมฐานอยู่ในป่าไม่ได้นิ่งดูได้ไม่ได้มองสังคมชุมชนเป็นอย่างอื่น สง ช, ชุมชนสังคมมีความสุขอย่างไรหลวงพ่อก็มีความสุขถ้าว่าชุมชนสังคมเดือดร้อนหลวงพ่อก็เดือดร้อนไปด้วยเหมือนกันเพราะหลวงพ่ออยู่ในชุมชนเพราะนั้นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหลวงพ่อมองเห็นอันดับแรกด่านแรกก็คือการศึกษาอย่างที่พวกหลวงพ่อได้วยหลวงพ่อด้ไปสร้างอาคารเรียนเป็นสะพานบุญให้แก่ท่านผู้มีกิจศัทธา หลายๆหลังทั่วประเทศทั่วเกิดเรียกว่าทั่วภาคการศึเป็นหลายๆแห่งแต่กลุ่มหนึ่งที่หลวงพ่อเคยสร้างด้วยนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ไปสร้างอยู่ที่วัดในที่บ้านหลวงปู่มั่นอำเภอเชียงอำเภออำเภอเชียงใหม่อะไรอาเภอศรีไทยใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกำลังสร้างอยู่อันนั้นก็คือนี่หละกลุ่มที่หลวงพ่อเป็นสะพานบุญให้นะ หลายๆที่ที่ท่านไปสร้างนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าหังว่าพี่น้องประชาชนลูกหลานเกิดมาแล้วการศึกษาไม่ดีเป็นคนโง่เง่าเตาตุนเป็นคนที่ไม่ ไ, ม ไ, มได้รับการศึกษาแล้วประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรถ้าหางว่าเรียนวิชาด้วย ว, วิชาความรู้คู่กับคุณธรรมวิชาความรู้คู่กับคุณธรรม ต้องไปด้วยกันแต่ทําเมื่อเราได้รับการศึกษาดีแล้วในทําการทํางานดีแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าการแพทย์การหมอเนี่ยเวลาเข้าโรงพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพวกเราก็จะไว้ใจได้ยังไงเหมือนกับเราซื้อรถราคาแพงๆมาเนี่ยรถราคาแพงๆจากต่างประเทศมาพอมาแล้วมาเห็นอู่แล้วอู่โครคอนโซเนี่ยมีปเจสองสามตัวอยู่ในอู่พวกเราจะทํายังไง ราคารถของเราราคาแพงแต่เราเข้าไปอุนอ่นอูอ่นราคาเครื่องไม้เครื่องมือไปไม่เป็นท่าเราจะอุ่นใจกับหูไหมในการซ่อมรถนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละร่างกายของเราเนี่ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าร่างกายของเราแต่เมื่อเข้าเราเราไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่น่าไว้ใจไม่อุ่นใจ ในเครื่องมอือในโรงพยาบาลนั้นนี้ก็เหมือนกันพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วได้ทำการทำงานดีแล้ว เ, เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จำเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นสองอย่างถ้าใครถามว่าหลวงพ่อช่วยอะไรบ้างหลวงพ่อก็ยกเป็นนิ้วสองิบโพ่วิตันอย่างนี้เลยเหมืนกันแต่ิโวิตันล้ๆกันวทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยทั้งการศึกษา และสาธรสาธรณาสุขด้วยทั้งสองอย่างรายนั้นถ้าหลวงพ่อเองไม่พูดให้คณะสัตยาติโยมครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านได้ฟังขอบคงไม่รู้แต่ถ้าว่าพูดให้ฟังอย่างนี้เหมือนกับหลวงพ่ออินขี้อวดอีกแล้วทีนี้อย่าไปว่าขี้อวดนะพูดความจริงให้คณะสัตยาธิยมทั้งหลายได้ฟังให้ไปถามถามดูก็ได้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองเป็นประธานมูลนิธิ ขออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นขนาดหลวงพ่ อ, อยุติปานองคคงไปขนาดนี้แต่ยังได้เป็ น, ปนมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิว่างั้นแต่แต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะเป็นประธานเพราะหลวงพ่อได้สร้างกับมือมาจริงๆแต่ถ้าว่าเป็นขึ้นมาเป็นมุกเป็นประธานขึ้นมาคัดตาทับสักสามสี่ปีเท่าวดัดพน้นวาระแล้วก็ให้องค์อื่นเป็นเน้าหลวงพ่อไม่ติดยึด ในหน้าที่ในหน้าที่ตําแหน่งเมือ่อเพราะตำแหน่งหน้าที่ของหลวงพ่อเนี่เป็นพระกรรมฐานเป็นพระอยู่ในป่านี่บกรงเนี่เหมาะสมแล้วเอไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้วพอเป็นพระแล้วพออยู่ในป่าตรงแต่ว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนหรือสังคมนั้นหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่คณะท้าญาติยาโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท, ท่านได้ฟังนี่แหละอ นนวันนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ได้มาเห็นอาคารอาคารหลักหลังนี้ที่ท่านด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ดร์ฮิรันกับอาจารย์นงเยาวครอบครัวของท่านได้มาสร้างได้เสียสละทุนทรัพย์หลวงพ่อเห็นแล้วก็โอ้ภาคภูมิใจอย่างมากอาคารหลังนี้สร้างด้วยความแข็งแรงทางบริษัท เ, เสียสิทธิ์ของหลวงพ่อนี่ค่ ดูแลเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล็กปูนอย่างดีเหล็กหลวงพ่อก็มาดูนะเออเหล็กข้ออ้อยอย่างดีได้มาตรฐานที่เดียวมาสร้างอาคารเรียนมาหลังนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าคงจะอยู่ได้นานนานเท่านานถ้าว่าไม่มีอะไรคงจะเป็นร้อยปออีอาคารหลังนี้นะแล้วก็ขอให้ครูบาอาจารย์หรือพี่น้อง ชุมชนอำเภอบ้านตมบุบ้านก้องของเราอันนี้คือมอบให้แก่ให้แก่ชุมชนบ้านก้องของเรามอบให้เป็นทรัพยากรของหมู่บ้านของเราให้ช่วยกัน ร, รักษาคือพวกเรามีจะสร้างเสร็จแล้วก็มอบให้ไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้คิดผลทําไรตอบแทนอะไรทั้งหมดมอบไปแล้วก็คือแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นก็ขอให้ครูบ า, าอาจารย์เป็นด่านแรกที่ เตมอกไปแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาอาคารเรียนหลังนี้ถ้าจะทำให้เป็นโทษก็เป็นโทษได้จะทำให้เป็นคุณก็เป็นคุณได้ถ้าทำเป็นคุณก็คืออะไรก็คือครูบาอาจารย์นีท่านผ อ, อสุจิตเนี่ยเป็นผ อ, อแล้วก็เอานักเรียนมาสอนสอนเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมความรู้วิทยาศาตอังกฤษสอนตามหลักวิชาการ อยู่ในกรอบของศีลและธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองอาคารหลังนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนในชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้าหาว่าครูโรงเรียนส อ, อ, อนวิชาคดอย่างนั้นโกงอย่างนี้เล่นไพ่อย่างนั้น เ, เล่นพุ่นอย่างนี้เล่นเบอร์อย่างนั้นขายยาบ้าอย่างนี้อยู่กับอาคารหลังนี้หลวงพ่อว่าอาคารแล้วนี่ก็เป๋ไปเหมือนกันนะ เ, เสียศูนย์ไปเหมือนกัน แล้วเป็นที่เพาะบ่มคนไม่ดีขึ้นในโรงเรียนหลังนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นของกลางเราจะเอาของดีหรือเอาของเลวเามาใส่ถ้าเราฝึกสอนไปในทางที่ชั่วอาคารหลังนี้ก็เป็นเพาะบ่มคนชั่วออกไปจากอาคารหลังนี้แต่ถ้าว่าพวกเราเอาเพื่อบ่มวิชาความรู้ในอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติบ้านเมือง แต่ลูกพ่อเองก็มั่นใจนะคือพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดชุดโตง่งพูดชุดโต่งให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าอาคารได้มาดีแล้วก็จะดีไปหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่จะชั่วทุกอย่างก็คงไม่เชิงอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่นี่เป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทีใช้อาคารให้เกิดประโยชน์และก็พร้อมกันก็ขอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาอาคารหลังนี้นะพร้อมกัน พพวกเรามอให้แล้วนะท่านศาสตราจารย์มีรันอาจารย์นงเยาวพร้อมกอบพวกบอกไแล้วลขอให้พวกเราช่วยกันรักษาและก็พร้อมกันหลวงพ่ออยากจะเตือนกล่าวเตือนย้ำพวกเราท่านทั้งหลายอยู่กับอยู่ในประเทศชาติบ้านเมือง ข, ขอให้ตั้งตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดี คิดก็ไปคิดอย่าไปคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นการพูดการกระทาก็เหมือนกันเอออย่าไปโคดอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปโกงอย่าไปทำผิดศีลธรรมอันนี้ก็คือการกระทาและก็การพูดก็เหมือนกันอย่าไปพูดทำให้คนอื่นเสียหายทำให้คนอื่น ห, ห, หนักอกหนักใจกับเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าคิดทำพูดให้มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจอยู่เสมอแต่ถ้ามาพวกเราคิดไม่ดีการกระทำออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีตัวเองจะเดือดร้อนเป็นอันดับแรกต่อไปก็คนอื่นเดือดร้อนกระจุงเห่ยงวุ่นวายไปหมดโลกทุกวันนี้นี่แหละหลวงพ่อว่าการกระทำหรือการพูดไม่ดีเนี่ยเพราะวันคิดไม่ดีซะก่อน แล้วออกไปสู่จุดนั้นกันมันกลมิ่ไม่ดีไปด้วยยุ่งเหยิงวุ่นวายทั่วประเทศชาติแต่ถ้าว่าพวกเราคิดไปในทางที่ทำทางดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อเขามาคิดเน่พ่อหลวงพ่อหลับตานะนั่งหลับตาคิดอยู่ในป่าเออทำไมคนในชาติประเทศชาติบ้านเมืองส่งไปเล่าไปเรียนต่างประเทศปีหนึ่งหมดเป็นเหมือนๆเช่นแสนล้าน ก็น่าจะเอาคุณงามความดีที่ได้รับการมามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองแต่ทําไมจึงเอาสิ่งที่มันไม่ดีเอาสิ่งทะเลาะวิวาดกันามาเกิดขึ้นในชุมชนในประเทศชาติของเราหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งที่ประเทศชาติของเร า, เามีแต่ด็อกเตอร์มีแต่ชั้นปัญญาชนได้รับการศึกษามาเป็นร้อยปีก็น่าจะนําทําที่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรม สิ่งที่มีเหตุผลสิ่งที่มันถูกกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนำมาใช้ในชุมชนของพวกเราประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเอานำไปสิ่งสิ่งที่บางทีก็รับไม่ได้สิ่งที่หายยนะนั้นำมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมา นี่แ่ะขอฝากไว้กับคณะสัทยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะการพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้พูดวัดตำหนิคนนั้นคนนี้กลุ่มนั่นกลุ่นนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่นะให้ตำหนิทุกคนให้โอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาหาตัวเองถ้าตัวเองคิดผิดต่อไปเราก็จะทําผิดต่อไปเราก็จะพูดผิดนะเพราะฉะนั้นผิดคํานี้คืออะไรคือเราต้องยึดศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ศีลธรรมของพระเจ้าคืออะไรศีลธรรมก็คือศีลห้านี่แหละอย่าทำศีลผิดศีลห้าถ้าว่าไม่ได้จริงๆก็จะให้มันเกินไปเพราะงั้นจะเออคำว่าศีลคํานี้ก็มีหลายระดับนะศีลระดับตึงระดับกลางระดับหย่อนเราได้ระดับไหนก็ยังดีนะดีกว่าปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจศีลธรรมเฉลยถ้าไม่สนใจศีลธรรมเฉลยเห็นคนอื่น เออเป็นผักเป็นปลาไปหมดเนหลวงพ่อว่าโลกทั้งโลกเนี่เดือดร้อนวุ่นวายมิคัสัญญีคือการประหัดประหารกันนี่เออมันจะอยู่ไม่นานไม่ไกลแต่ถ้าพวกเรายกเชิดชูบูชาศีลธรรม เ, เห็นใจเขาเห็นใจเราถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้แกเราล่ะเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าทำถ้าตัวเองเดือดร้อนไปทำให้แกเขาเขาก็ทุกข์ใจ เขามาทําให้แก่เราไปเช่นเดียวกันนี่แหละศี ล, ธร ร, ลธรรมกฎหมายก็ดีศีลธรรมก็ดีไม่ได้อยู่อื่นไกลนะอยู่ใกลใ้ๆพวกเรานี่แหละคือถ้าเราไปทําให้แก่คนอื่นเขาเมื่อเราเป็นเจ้านายเขาเท่าเราไปกันแกล้งทูกน้องลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ลําบั่นเมื่อเราเป็นลูกน้องเราก็กันแกล้งเจ้านายเจ้านายก็เดือดร้อนแต่ถ้าหาว่าทุกคนอยู่ในทํานองครองธรรมเกื้อกูลหนุนกัน การเป็นอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่มีการอิจฉาพยาบาทกันเอยใครก็อยู่ในทํานองครองเหตุผลของใครของเราเมื่อเราเป็นลูกน้อง เ, ออเราก็ทำดีให้ดีที่สุดนี่เมื่อเราเป็นหัวหน้าเราก็ทำเป็นหัวหน้าให้ดีที่สุดนี่เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไปทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อยินเนี่ยเ อ, อเป็นหัวหน้าวัด หลวงพ่อกคยจะพยายามทําให้เป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดเออสิ่งไหนที่มันไม่ดีหลวงพ่อจะไม่ทําเออจะไม่จะไม่ทําเอาอเคยอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูถ้าว่าเราอยากจะให้ลูกน้องดีเราก็ต้องทําดีให้ลูกน้องดูถ้าเราจะให้ลูกดีเราก็ต้องต้องทําดีให้ลูกดูเพราะนั้นตัวอย่างเนี่ยที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ย ควรจะทำดีให้ลูกน้องดูแต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้ากินเหล้าเมายาแปซสายแป่ขวาไปหาไปรู้จักไป่费เวลาทำการทำงานหุ่นจะออกเวลาไหนตัววิ่งแก่นไปหาคุณนะไปดูหน้าจอไปไนะไปเล่นหุ่นอยู่นู่นนะไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วเป็นอย่างไรแล้วลูกน้องจะดีได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอฝากไว้กับทุกๆ ท, ท, ท่านนะที่ได้มาฟังที่หลกข้อพูดนะ หลวงพ่อเป็นพระเป็นพระป่าพักกรรมฐานยในป่ารงคงไยอีกต่างหากแต่ว่าเป็นห่วงพี่น้องชุมชนถ้าหลวงพ่อไม่ห่วงพี่น้องชุมชนหลวงพ่อไม่คิดอกสร้างอาคารนะ อ, อยู่เฉยๆจะดีกว่าแต่นี่หลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไ ร, ง ไ, รได้หลวงพ่อก็ไม่นิ่งดูได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมเพราะฉะนั้น ขอให้คณะสัทธาญาิโยมทุกทางทุกทุกท่านที่ได้นั่งฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนนยกระถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีะะรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราศพนนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ ข, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิด